วันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจะสมบัตดโดยอาจารย์สิตเทพภู้ทศรัทธาท่านสาธุชนที่เคารพพระสูตรวันนี้จะอธิบายสืบต่อจากคราวก่อนซึ่งกำลังนำเอาพระสูตรที่ชื่อว่าอุ ป, ปนิสสูตรมาอาธิบายอุ ป, ปนิสสูตรซึ่งกล่าวถึง ความเป็นที่อิงอาศัยกันโดยลำดับของธรรมทั้งในส่วนของสังสารวัฏอันได้แก่อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจนถึงาชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ที่ครอบคลุมชลามรณะโศกกาภริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแล้วก็ในสายของวิวัตตะซึ่งมีเรื่องของศรัทธาเป็นเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวิมวิราคะ วมุตและปัจจเวกขณะได้อธิบายโดยลำดับมาจนถึงเรื่องที่กล่าวว่าโดยเอกสารหน้าสองนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มากล่าวที่แล้วเอกสารหน้าสองที่เราอธิบายค้างอยู่คือหัวข้อที่สามหัวข้อที่สามความว่าเรากล่าว แม้ซึ่งวิราคะว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งวิราคะควรกล่าวว่านิพิธาและข้อที่สี่เรากล่าวแม้ซึ่งนิพิธาว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่ า, าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งนิพิทา ควรกล่าวว่ายถาภูตะยาัสนะที่แปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงคำว่านิพิธาที่แปลว่าเบื่อหน่ายที่ใช้เป็นศัพท์ทางหลักวิชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายเป็นสามอย่างอันนี้ท่านควรจะรับทราบไปด้วยความหมายสามอย่างนั้นคือยอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่ง หมายถึงฌานนิพพิทาบางแห่งหมายถึงฌานทำไมจึงเรียกฌานว่านิพพิธาที่แปลว่าความเบื่อหน่ายก็เพราะว่าฌานนั้นเบื่อหน่ายในกามฌานเบื่อหน่ายในกามฌานจึงชื่อว่านิพพิทาอีกอย่างหนึ่งนิพพิทาหมายถึงวิปัสสนา หมายถึงวิปัสนาญาณเะพอะโลกียะวิปัสนาไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลนะและที่เรียกวิปัสนาญาณว่าเป็นนิพพิธาที่แปลว่าความเบื่อหน่ายนั้นหมายถึงเบื่อหน่ายในกายกายก็คือกองรูปกองนามที่คุมกันเข้าเป็นกายของเรารูปกายนามกายนั่นเอง จึงเรียกว่าเบื่อหน่ายอีกอย่างหนึ่งนิพิทาเป็นชื่อของมัครคยานที่เรียกมัครคยานว่าเป็นนิพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายถามว่าเบื่อหน่ายในอะไรตอบว่าเบื่อหน่ายในสังสาระเบื่อหน่ายในสงสารหรือสังสารวัฏนั่นเองมรรคนั้นเป็นตัวเบื่อหน่ายในสังสารวัฏ ก็หมายความว่าความเบื่อหน่ายในระดับใดจําพวกใดย่อมละความติดด้วยกิเลสในระดับต่ำกว่านั้นจําพวกนั้นความเบื่อหน่ายในฌานอาธารทโทษฌานเบื่อหน่ายในกามย่อมละกิเลสกามกามราคะละด้วยการข่มไว้ที่มีแก่ผู้ไม่ได้ฌานได้ฌานก็ เบื่อหน่ายละได้ผู้ทำวิปัสนาเบื่อหน่ายในนามรูปนามรูปนั้นผู้ได้ฌานยังไม่เบื่อหน่ายเมื่อได้วิปัสนาจึงเบื่อหน่ายในนามรูปแต่ผู้เบื่อหน่ายในนามรูปนั้นยังไม่พ้นจากสังสารเพราะยังไม่เบื่อหน่ายในสงสารกรรมวัฏกิเลสวัฏวิปากวัฏพอได้มรึกก็เบื่อหน่ายสงสารได้ ก็ละกันไปเป็นชั้นชัดอย่างนี้ความเบื่อหน่ายแต่ละชั้นแต่ละชั้นเป็นปัจจัยอุดหนุนกันไปโดยลำดับอย่างนี้ที่ความเบื่อหน่ายในวิปัสสนาเนี่ยท่านเกิดใช้ไว้เป็นสองกรณีใช้เป็นสองกรณีนะครับกรณีบางแห่งหมายถึงวิปัสสนาญาณโลกีวิปัสสนาญาณทั้งหมด คือไม่แบ่งขยักบางแห่งหมายเอาเฉพาะวิปัสนาญาณที่มีกำลังกล้าขอย้มว่าหมายเอาวิปัสนาญาณที่มีกำลังกล้าอย่างในสูตรนี้นิพิทาท่านหมายถึงความเบื่อหน่ายในนามรูปของวิปัสนาญาณที่มีกาลังกล้าเท่านั้นครับ ก็เลยได้ความว่าวิปัสนาญาณที่มีกําลังอ่อนท่านเรียกในสูตรนี้ว่ายะถาภูตะญานนณทัศนะที่แปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงวิปัสนาญาณตามในยะสูตรนี้แบ่งเป็นสองชั้นชั้นกล้ากับชั้นอ่อนท่านแสดงชั้นกล้ามาก่อนเพราะเหตุว่าท่านยกผลสําเร็จเบื้องสูงขึ้นมาแล้วก็สาวไล่สืบลึก ลงมาโดยลําดับโดยลําดับพอมาถึงมัคคือวิราคะถามว่าอะไรเป็นเหตุให้บรรลุมัคก็ตอบว่านิพิทาคือวิปัสนาที่มีกําลังกล้าแล้วก็ถามว่านิพิทาที่มีกําลังกล้ามีอะไรเป็นเหตุก็ตอบว่ามีวิปัสนาที่มีกําลังอ่อนเป็นเหตุอันนี้ก็มาถึงปัญหาว่าที่กล่าวว่าวิปัสนามีกําลังกล้ากําลังอ่อนนั้น หมายความว่าอย่างไรเอาเหตุผลอะไรมาเป็นเครื่องแบ่งผมขอให้ท่านพลิกไปดูในหน้าสุดหน้าที่สี่นะของของประสูตรนี่นะครับหน้าที่สี่ในนี้ได้ระบุเอาไว้ตามในย่าของอัตถกาถาว่านิพพิทากยถาภูตยานัตสนาในข้อสิบเจ็ดกับข้อสิบแปดครับข้อสิบเจ็ดข้อสิบแปด ที่รวมเป็นวิปัสนาญาณด้วยกันเนี่ยแล้วแบ่งเป็นสอ ง, ยงขยักขยักแรกเรียกว่ายถาปูตยานัสสนะนั้นหมายถึงวิปัสนามีกําลังอ่อนท่านว่าได้แก่วิปัสนาญาณที่หนึ่งถึงญาณที่สี่ทำไมจึงเรียกว่าเป็นญาณที่มีกําลังอ่อน ออนก็เพราะว่าวิปัสสนาญาณที่หนึ่งถึงญาณที่สี่นั้นเห็นสภาพของนามและรูปตามความเป็นจริงเท่านั้นก่อนออันนี้ถ้าใครได้ฟังเรื่องวิปัสสนาญาณมาแล้วก็จะฟังง่ายถ้ายังไม่ได้ฟังมาก็ฟังยากหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้ผมอธิบายอย่างนี้ครับวิปัสสนาญาณที่หนึ่งแยกรูปแยกนามรู้ว่านามคืออะไรรูปคืออะไรเป็นคนละส่วนกันไม่ใช่ปนกัน อย่างแยกกันไม่ออกและไม่ใช่ตัวตนคนสัต์จับลักษณะเฉพาะโดยความเป็นประมัตของนามรูปได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นยะถาภูตยานัสสนาจริงๆใช่ไหมรู้ตามความเป็นจริงของนามรูปที่มันเป็นในชั้นตน้นยานที่สองเรียกว่าปัจจยะยปาลิกะหายานกาหนด เห็นเหตุปัใจจัยให้เกิดนามและรูปนั้นตามความเป็นจริงเหมือนกันนามและรูปนั้นมีเหตุปัจจัยเป็นที่อาศัยเกิดนี่ก็จะเห็นว่ารู้จักตัวนามรูปมากขึ้นสาวไปถึงต้นตอถึงเหตุเกิดเป็นยถาภูตยานัศนะและยานที่สามคือสัมมัณณยานกําหนด เห็นความเกิดดับอย่างคร่าวๆหรืออย่างรวมๆอย่างเป็นก้อนเป็นแท่งหรือจะพูดอย่างสั้นๆเพื่อไม่ให้ฟังสับสนแก่ผู้ใหม่ก็คือการเห็นเกิดดับเนี่ยเห็นเกิดดับของนามรูปเนี่ยความเกิดดับของนามรูปนั้นเป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่ ง, งนามรูปใช่ไม่ใช่เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งของนามรูป ยานที่ไปเห็นความเป็นนีอย่างนี้ถึงจะลึกกว่าอย่างก่อนก็ยังชื่อว่าเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมครับและการเห็นตามความเป็นจริงสองระดับเนี่ยคือระดับต้นเห็นอย่างหยาบเห็นอย่างหยาบหมายความว่าเห็นอย่างเช่นว่าเห็นร้อนเกิดแล้วร้อนหายไปอย่างนี้อย่างหยาบอันนี้จังทุกขรังหน้าตาายัางหยาบเห็นเย็นเกิดขึ้นเย็นหายไป เห็นการเคลื่อนเท้ายกย่างเหยียบยันเป็นอย่างหยาบหยาบอย่างนี้เป็นลําดับลําดับไปชื่อว่าเห็นอย่างหยาบเพราะว่าการจะเห็นละเอียดนั้นต้องเห็นตีไล่เข้ามาจากหยาบวิปัสนาญาณก็เหมือนกันเวลาเห็นเกิดดับไม่ใช่กระโจมเข้าไปจนกระทั่งถึงไอ้ความละเอียดได้แต่ทีแรกทีเดียวต้องค่อยเป็นค่อยไปมีสองระยะ นั้นระยะแรกเนี่ยครับเรียกว่าสมมสนญญาณเห็นตามความเป็นจริงแต่ในขั้นหยาบคือบางทีเนี่ยเราเห็นความเกิดของสมมดว่านามรูปเกิดขึ้นในภาวะปวดครั้งหนึ่งนะเรายกตัวอย่างอย่างนี้เริ่มปวดเกิดขึ้นเห็นเกิดตรงที่ขณะจิตปวดที่เกิดกับสรีละในอาการปวด แล้วก็กาหนดเห็นความปวดระหว่างนั้นไม่เห็นมันดับไปเห็นมันดับอีกทีในขณะจิตหลังในขณะรูปหลังเห็นความเกิดของขณะจิตขณะรูปหนึ่งในความปวดแต่ไปเห็นความดับในขณะจิตหนึ่งขณะรูปหนึ่งห่างกันคนละทั้งหลายขณะอย่างนี้เรียกว่าเห็นหยาบ แต่ถ้าใครสามารถจะเห็นขยับเข้ามาจนกระทั่งมาเห็นความเกิดกับความดับของรูปหน่วยเดียวกันขณะเดียวกันของนามขณะเดียวกันอย่างนั้นเรียกว่าเห็นายละเอียดยานที่สี่นั้นเห็นขั้นายละเอียดอย่างนี้เห็นความเกิดดับขั้นายละเอียดอย่างนี้จะเห็นขั้นายละเอียดหรือเห็นขั้นหยาบมันก็เป็นความจริงของนามรูปว่าเกิดว่าดับ เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะเหมือนกันเป็นยถาภูตญาทัศนะเช่นเดียวกันนี่นี่คือที่เรียกว่ายถาภูตยานัตถนะแล้วก็ไอ้นามลูกนี่มันก็มีความจริงในส่วนหลักอยู่แค่นี้เท่านั้นเองครับผมทบทวนได้เห็นชัดนะสำหรับคนคนเก่าหรือคนสนใจมากได้ยินได้ฟังมาบ้าง ผมย้ามาเห็นอย่างนี้ว่าความเป็นจริงข้งนามรูปเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องเห็นในส่วนหลักๆอยู่แก่นี้คือหนึ่งลักษณะเฉพาะโดยปรมัดว่าอะไรเป็นอะไรไม่ปนกันอย่างไรนี่คือส่วนต้นส่วนที่สองมันเกิดจากอะไรและมันเป็นปัใจจัยให้เกิดอะไรด้วยอย่างที่พูดเรื่องปริญญา แต่เมื่อเราเอาตัวผลเป็นตัวตั้งก็หมายถึงเกิดจากอะไร<ม>แต่ไอตัวเกิดจากอะไรเมื่อพูดอย่างเป็นผลมันก็เกิดจากอะไรและไอตัวเกิดจากอะไรเมื่อพูดอย่างเป็นเหตุมันก็ทําให้เกิดอะไรนี่คือความสัมพันธ์โดยความเป็นเหตุเป็นผลของนามและรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราจับได้แล้วในเบื้องต้นของยานหนึ่งต่อไปก็คือความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือความเกิดดับ ใช่ไะที่มันเป็นลักษณะร่วมกันเราจะเห็นหยาบเห็นละเอียดก็คือเห็นความเกิดดับมาแบ่งเป็นยานสามกับยานสี่เนี่ยแบ่งด้วยอำนาจกาลังยานที่เห็นว่าเห็นความเกิดดับร่วมหน่วยหรือต่างหน่วยกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้หมดแล้วครับภาระเรื่องการเห็นตามความเป็นจริงของนามรูปเนี่ยมีอยู่แค่นี้ อแล้วต่อไปทำไมจะต้องทําวิปัสนาญาณต่อทําให้มันเห็นอะไรอีกตอบว่าไม่ได้เห็นอะไรอีกแล้วพอไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเาเรียกว่าเลือกเห็นได้ตามใจชอบแล้วแต่ว่าเห็นอะไรได้ความรู้สึกอะไรอย่าลืมว่าการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเห็นและรู้สึกวิปัสนาญาณมีอยู่สองสองสองส่วนนะ ส่วนหนึ่งคือความสำคัญอยู่ที่เห็นความจริงอีกส่วนหนึ่งความสำคัญอยู่ที่ได้ความรู้สึกจากการเห็นความจริงนั้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่ห้าขึ้นไปความจริงเท่าเก่าลองคิดดูวิปัสสนาญาณไหนๆมันก็จับรูปจับนามจับเหตปัจจัยของรูปนาม แล้วก็จับความเกิดดับของรูปนามเหมือนกันเท่านั้นใช่ไหมแต่ต่างกันที่ความรู้สึกที่บ่มแล้วบ่มอีกลงไปในความเป็นจริงนั้นเหมือนอย่างว่าเราทำอาธุปากรรมฐานไปดูศพ ดูศพเนี่ยก็ดูศพเดิมนั่นแหละถามมาดูแล้วดูอีกดูเอาอะไรเอาอะไรก็เห็นตามตาอยู่ว่าศพพองศพเน่าก็ดูเสี้ยวเดียวแล้วก็จบกันไม่ได้หรือดูเอาอะไรตอบว่าดูเอาความรู้สึกดูบ่มความรู้สึก ดูเพื่อจเจริญความรู้สึกเพราะความรู้สึกที่ได้จากสิ่งถูกดูที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่แหละมันมีผลต่อการสลัดความรู้สึกตรงกันข้ามจริงไหมจริงความรู้สึกข้าความรู้สึกแล้วก็ไอความรู้สึกสองด้านเนี่ยมันก็มีที่อาศัยเกิด คนละด้านใช่ไหมอย่างเช่นคนที่จับนิจจังเป็นอารมณ์เป็นที่ได้ความรู้สึกว่าเที่ยงว่าเป็นต่างๆอย่างที่กิเลสมันบ่มกันไวเราบ่มกันปกติอย่างนี้คนทําวิปัสสนาดูความรู้สึกก็ไม่เทียงจากนามจากรูปก็ได้ความรู้สึกอีกด้านหนึ่งแล้วก็บ่มเข้ามา เนี่ยถ้าใครบ่มจากทางไหนมามากมันก็ครอบงำปิดกั้นความรู้สึกอีกด้านหนึ่งเสมอเพราะว่าไอ้กุศลกับอกุศลเนี่ยมันมันเป็นปรปักกันเมตตากับโทสะมีเหตุปัจจัยที่เกิดที่พูดไงมามีที่อา ศ, าศาัยเกิดเหมือนกันไหมเช่นว่าคนที่โทสะจริตเนี่ย เห็นใครก็าเขาดีนะเขาน่าสงสารนะเขาหน่าเห็นใจนะยิ่งคิดอย่างนี้ก็ยิ่งโกรธอย่างนั้นหรือเปล่าคนเจริญเมตตาโอ้ในโลกนี้หาคนดีไม่ได้เลยมีดีอยู่คนเดียวคือเราเองน่ารักจริงน่าสงสารจริงน่าเห็นใจจริงมันผิดอารมณ์มันก็ความรู้สึกมันมันเกิดไม่ได้ เพราะนั้นคนทาวิปัสสนาเขเรียกว่าถอนความรู้สึกด้วยการดูนามรูปให้จับมุมของอารมณ์อีกด้านหนึ่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหละครับความจริงที่เห็นเป็นที่อาศัยเกิดความรู้สึกโดยลำดับต่อมาความรู้สึกที่ได้เต็มบริบูรณ์แล้วย่อมทำให้เกิดการประหารอย่างเด็ดขาดคือเกิดมร มักจึงละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดนี่คือจุดที่สุกงอมของการบ่มความรู้สึกจนถึงขีดสูงสุดก็ละกิเลสได้ก็จึงว่านิพพีธาไอความรู้สึกเนี่ยแต่ละยานแต่ละยานนะแต่ยานห้าเกินไปถึงโลกียานสูงสุดเนี่ยนะครับมันความรู้สึกเนี่ย ม, ม, มันมีหลายๆอย่างก็จริง แต่มันร่วมกันตรงที่ว่าเบื่อหน่ายนามรูปไม่ชอบนามรูปใช่ไมมได้อันนี้คือคือคำร่วมกันคำว่านิพิทาเนี่ยไม่ได้แปลว่านิพิธายานนะนิพิธาอีอย่างหมายถึงนิพิธายานาที่เวลาพูดเป็น ย, นยาาณเนี่ยแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนิพิทายานหมายถึงความรู้สึกต่อนามรูปที่ตัวเองได้เห็นแล้ว ด้วยอำนาจของยัถาภูตยานทัศนะนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าผู้ได้วิปัสนาญาณที่จับของจริงได้เป็นวิปัสนาญาณขั้นอ่อนผู้ที่ได้ความรู้สึกจากการเห็นความจริงนั้นแล้วเป็นวิปัสนาญาณขั้นแก่กลาด้วยเหตุผลนี้ เพราะฉะนั้นในพระสูตรท่านจึงได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นผมขอชวนท่านไปดูข้อห้าข้อห้าของหน้าสองกลับไปที่เก่าตับต่อไปว่ า, อ, าอันนี้ก็จะเป็นการสแสดงเหตุของยานาทัศยถาภูตยานาทัศนะลูกโซ่ของวิวัตตะ ลูกโซ่ของวิวัตะจากความสำเร็จสูงสุดลงมาตามลำดับว่าคนที่ได้วิปัสสนาญาณขั้นอ่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ได้มีเหตุมีปัจจัยมีที่อิงอาศัยแห่งความดีมีลูกโซ่แห่งความดีที่ต่ำกว่านั้นท่านจึงตรัสว่าเรากล่าวแม้ซึ่งยะถาภูตะยานัสสนะว่า มีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งยะถาภูตายานทัศนะควรกล่าวว่าสมาธิในนี้ผมใส่คำแปลว่าสงบนิ่งเพราะสงบมันมีสงบระงับอันหนึ่งสงบนิ่งอันหนึ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าถามว่าความสงบนิ่ง คืออะไรตรงนี้ตอบอธิบายตามนัยยะทกถาและในพระสูตรอื่นๆก็รับด้วยว่าหมายถึงฌานครับหมายถึงฌานเป็นการแสดงลูกโซ่ของวิวัตตะหรือลูกโซ่ของการเจริญไตรสิกขาอย่างสมบูรณ์ที่ใช้คำว่าอย่างสมบูรณ์หมายถึงว่า สมาธิอย่างสมบูรณ์แต่ว่าสมาธิที่ไม่ถึงขั้นฌานก็เป็นปัจจัยได้แม้แต่คนที่ได้ฌานเวลาจะเอามาต่อก็ต้องออกจากฌานอย่างที่ว่านะาตรงนี้ตั้งหลักไว้ก่อนว่าสมาธิหมายถึงฌานที่เรียกว่าปาทักกาฌานฌานเป็นบาดแกวิปัสนาตัวนี้คือจิตตวิสุทธิครับถ้าจะ ว่าอย่างวิสุธทธิเจ็ดจิตตะวิสุธทธิตัวนี้คือจิตตะวิสุธทธิและถ้าถามว่าอย่งงางนั้นแล้วศีลแล้ววิสุธทธิในนี้อยู่ที่ไหนมีที่อยู่เดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนเราถือว่าตรงนี้นเป็นหลักฐานอันหนึ่งหลักฐานอย่างสำคัญอันหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมอย่างสมบูรณ แบบในพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนส่วนใหญ่เนี่ยทรงรับรองสมาธิและให้ความสำคัญของสมาธิอย่างที่เคยบอกว่าเวลาเราพูดถึงศีลเนี่ยเวลาอธิบายเต็มๆแล้วท่านพูดถึงปฏิโมกขสองวนศีล น, นะฮะพูดอย่างพระนี่คือเต็มเราอ่านแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราไม่ใช่พระเราก็ทำศีลวิสุทธิไม่ได้หรือ ตอบว่าได้เพราะว่าท่านกล่าวเต็มแต่แม้ผู้ไม่บวชเป็นพระก็สามารถจะทําได้แต่ในขั้นกว่าเนี่ยบวชเป็นพระดีกว่าผมมีประสูตรรับรองคัดมาแล้วในะนิจฐานให้ฟังนะถือเป็นหลักฐานที่ผมเอาใจใส่เพราะว่าผมเจอเรื่องพวกนี้แล้วผมถือเป็นหลักฐานเพราะว่ามันเคยยุ่งยุ่งแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องอีหลงุงตุงนางมาถามมาอะไรกันนะบางเพราะว่าบางพวกนี่เขารังเกียจสมาธิเหลือเกินนะครับผมก็บอกเขาอยาพูดนะบาปนะ ก็ยังพูดกันรังเกียจจริงๆไม่รู้เอาไปเอาที่ไหนมาเราศึกษาอย่างเป็นกลางแล้วบอกว่าถ้าพูดถึงอย่างไม่ชั้นหลักฐานแล้วเนี่ยสมาธิสําคัญใครได้น้อยก็ทําแต่นถ้าสมควรจะทําให้สมบูรณ์แต่ถ้าไม่ได้นั้นแล้วไปแต่ว่าย้ำมาปฏิเสธหลังหลักการเนี่ยเป็นบาปไม่ดีนะฮะผมจะว่าอย่างงี้ครับคือ สมาธิที่เป็นบาทแก่การทำวิปัสสนาที่สมบูรณ์ก็คือขั้นชานเหมือ น, นศีลวิสุทธิสมบูรณ์ก็ศีลสองร้อยยิบเจ็ดนะแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มก็ได้สมาธิก็เช่นเดียวกันไม่ได้ชานก็ไม่ใช่ว่าทำวิปัสสนาไม่ได้ได้แต่ดีสู้ได้ชานไม่ได้ดีด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ทันผมจะติดเลยพูดราวหน้า นะก็บอกแล้วว่าพูดใจเย็นเย็นกำลัฟังใจเย็นเย็นด้วยแล้วกันผมกำลังจะอ่านหลักฐานให้ฟังว่าสมาธิเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างดีที่สุดแก่วิปัสนาใครทำชาญได้ทำสมาธิได้ไม่ใช่เครื่องทำลายวิปัสนาตัวทำลายนะ่มันไอ้กิเลสจอนเข้ามา แทรกเข้ามาที่เราบริหารไม่ดีมันเข้ามาทำลายแต่โดยกระแสของความเป็นเหตุเป็นผลแล้วไตรสิกขาศีลมากเท่าไหร่ดีเท่านั้นสมาธิสูงเท่าไหร่มากเท่าไหร่ดีเท่านั้นแต่ไม่สูงไม่สมบูรณ์ก็ได้ในแง่ได้ก็ต้องว่าได้ อ, อผมจะอ่านสูตรสั้นๆให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัส ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิคาว่าสมาธิในที่นี้หมายถึงฌานภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงนี่นี่เป็นพุทธพจน์ถามว่าย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงย่อมรู้ ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้ทุกการนิโรดนี้ทุกกานิโรตกาม่มีปฏิปทาเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละในที่นะทีนี้ไอ้บรรยากาศเกี่ยวเกี่ยวกับสมาธินี่ยเมื่อกี้นะท่านพูดถึงอเรียกว่าเป็น วิคขำพันาวิเวกฌานในเป็นวิคขัพันาวิเวกต่อไปตรัส เ, เรียกว่ากายยวิเวกตรัสกา ย, ยวิเวก ค, คือสมาธินี่ก็ต้องมีความวิเวกชั้นลองอสูตรถัดไปเนี่ยถ้าเรียกว่าปฏิสันลานะสูตรตรัสว่าดูก่อนวิสูตรหลายาเธอจงถึงความประกอบในการหลีกออกเรนอยู่ ภิกษุผู้หลีกออกเรนอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริงในสูตรแหละอีกสูตรหนึ่งอันนี้เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยครับตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่งในอดีตการแม้ในอนาคตการหรือในปัจจุบันออกบวชเป็นเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออก บวชแล้วเพื่อรู้สัจจะตามความเป็นจริงและย่อมรู้สัจจะตามความเป็นจริง อ, อ, อันนี้นะฮะฌานเป็นเป็นจิตตวิสุธิเป็นจิตวจตวิเวกก็ได้น ะ, ะแล้วก็การหลีกเล่นเป็นกายวิเวกการออกบวชก็สงเคราะห์เป็นกายวิเวกขั้นหนึ่ง เกายวิเวกันหนึ่งหรือบางทีเรียกว่าเป็นไอกายวิเวกเนี่ยหมายความว่ามันมีสองขั้นคือขั้นออกบวชเนี่ยวิเวกจากไอวัตถุ ก, กรรมนะฮะแล้วก็การหลีกเล่นเนี่ยคือไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวัตถุ ก, กรรมเลยนะอเราจะเห็นว่ามันรับกันนะว่าคนออกบวชมาก่อนใช่ไหมแต่ในสูตรนี้ท่านเรียงย้อนกันเรียงสูตรย้อน ออกบวชแล้วหลีกเล่นก็ออกบวชแล้วไม่หลีกเล่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันออกบวชแล้วหลีกเล่นก็ออกบวชแล้วไม่หลีกเล่นคุณสมบัติใครเป็นพื้นฐานที่จะรองรับสมาธิฌานได้ดีกว่ากันหลีกเล่นดีกว่าเมื่อหลีกเล่นแล้วหลีกเล่นทำกับหลีกเล่นไม่ทำหลีกเล่นทำดีกว่าหลีกเล่นแล้วทำเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ ใช่หไหมหลีกเล้นแล้วทําไม่ได้สมาธิก็หลีกเล่นแล้วทําได้สมาธิอย่าลืมว่าสมาธิหม่ยถึงจานสองคนนี้ใครได้เครื่องมือได้โอกาสที่จ ะ, จะเจริญยะถาภูตญาตณตสนะให้เกิดได้ดีกว่าง่ายกว่าได้สมาธิดีกว่านี่โดยหลักที่ควรจะเป็นนะได้ดีกว่าด้วยประการอธิบายเหตุผลได้เป็นอันมาก ไม่พูดวันนี้ก็คขาหน้าจะพูดนะเพราะฉะนั้นในที่นี้สมาธิจึงเป็นเรื่องของคร้านี้ต่อไปดูต่อไปนะข้อหกผมก็เห็นสูตรนี้แล้วผมก็ขอบคุณคนพิมพ์เขามากเพราะว่าถ้าลำพังอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยดูลำบากเหลือเนกะินครับเพราะว่าพิมพ์แบบแบบโบราณเนี่ยนะ ไม่ได้เน้นไม่ได้อะไรเอามาตกแต่งจะดูเป็นของมีคุณค่าแล้วเข้าใจได้ง่ายพูดง่ายขึ้นมากทีเดียวก็ต้องขอบคุณคนพิมพ์นะใครพิมพ์ก็แล้วแต่เก็ขอบคุณคนนั้นแหละหกเรากล่าวแม้ซึ่งสมาธิคือฌาน่ะว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งสมาธิควรกล่าวว่าสุขที่แปลว่าความสบายถามว่าสุขกายหรือสุขใจตอบว่าเอาสุขใจเป็นหลักแต่ก็เนื่องโดยสุขกายด้วยตรงนี้นะท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าข้อคำของอัตฉริยที่เป็นคำผมพูดให้ปรากฏคือท่านใช้คำว่า สุขได้แก่สุขอันเป็นเบื้องต้นแห่งอัปปนาหมายความว่างไง ร, รู้ไหมหมายถึงความสุขในอุปจาระสมาธิเอากันแบบที่มันชนกระชานเลยนะนี่หมาลว่าคนที่ทำชานให้เกิดเนี่ยจกไม่ได้ชาน โดยไม่มีความสุขมาก่อนนี่เป็นข้อบังคับอันหนึ่งทีนี้ถ้าถามว่าในขณะที่ฌานเกิดนี่ไม่มีความสุขแล้วบอกมีแต่ไอ้สุขในฌานเนี่ยมันส่อละโคตกับฌานแล้วตรงนี้ท่านต้องการจะพูดเอาสุขในส่วนที่เป็นเหตุมันเหมือนกับศีลสมาธิปัญญาในใจสิขานะถามว่าคนบรรลุปัญญาเนี่ยไม่มีศีลแล้วมี ไม่มีสมาธิหรือมีแต่สมาธิที่กล่าวอย่างเป็นเหตุของปัญญาอันหนึ่งต่ำกว่าปัญญานั้นแล้วก็ศีลที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิหมายถึงศีลเบื้องต้นของสมาธิอย่างนี้เราเรียกว่ากล่าวส่วนต้นแต่ว่าเมื่อได้ต้นแล้วต้นก็อยู่ไปทบปลายเป็นลำดับลำดับไป แต่เมื่อกล่าวเอาอะไรมาก่อนก็ต้องก็ค่อยๆเรียงย้อนกลับไปตรงนี้นะในที่ต่างๆอธิบายไว้รับกันหมดบางที่อธิบายวิจิตรวิสดานว่าคนที่จะได้ฌานเนี่ยจะต้องมาถึงจุดหนึ่งคือเกิดความสุขใจอย่างเหลือล้นเหลือล้นล้นแค่ไหนผมก็ไม่รู้ก็ว่าตามาล้นและร่างกายก็สบาย มันมีผลสะทอนถึงร่างกายและเมื่อกายสบายก็รับมาอุปถัมภ์ใจอุดหนุนก็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องของความสุขความสบายไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุกข์และคนที่มีความทุกข์เนี่ยจักบรรลุธรรมไม่ได้ฟังแล้วท่านอาจจะนึกแย้งว่าเอ๊ะก็พวกที่เขาบรรลุธรรมกันฆ่าตัวตายถูกทิมถูกตามตายนะ่ะไม่ใช่เขาบรรลุอย่างทุกข์หรอ พูดแครอาการชั้นนอกแต่ในกระแสของธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นสุขมันเป็นสุขครับถึงบางคนจะเป็นพวกต้องบรรลุตอนฆ่าตัวตายแต่ตอนจิตบรรลุเนี่ยมีความสุขครอบงำความทุกข์เหล่านั้นคนอื่นเห็นเป็นทุกข์ท่านพูดถึงอย่างนั้นแล้วไม่มีความทุกข์เพราะว่าไอ้ความสุข จากการบรรลุทางความจริงมันก็อยู่กับทุกทั้งนั้นแหละถทว่าไปแล้วนะเช่นว่าเราเนี่ยบรรลุธรรมกับชาติที่ทุกขาปยาทีทุกขาใช่ไหมฮะมรณาทิทุกขาชรลาก็ก็อยู่กับทุกเพียงแต่ว่ามันทุกในอาการไหนหน้าตาไหนแต่ตัวภาวนาธรรมมันอิสระจากอารมณ์ที่มันกนําหนดเพราะฉะนั้น คนที่ปฏิบัติทมกันอย่า ง, างเราเราเนี่ยเราก็เห็นว่าตอนที่เราได้ยานอย่างเห็นในธรรมดีๆเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าและเบื้องต้นในใจจะต้องไม่ใช่ใจอึดอัดรับแค้นนะถ้าใจมีภาวะงั้นเรารู้เลยว่าปัญญาไม่แหลมแล้วครับเห็นธรรมไม่ได้ เราจะเห็นทําได้ต้องมีเบื้องต้นเป็นดีอย่างอ่าทีนี้ก็ความจริงนเราตั้งวงคุยกับนักปฏิบัติเนี่ยเราผมก็พยายามจะพูดกันพูดแย้งให้อ้าวนี้บางคนก็จะนึกว่าเออเวลาปฏิบัติแล้วมันเห็นแต่ทุกแต่ทุกอะแล้วจะมาว่าเป็นสุขยังไงไอ้เป็นสุขกลับไม่เห็นไอ้ไอ้ที่เห็นกลับเป็นทุกข์ว่ายังไงอ่านี่บางเอิญมันมันไปคาบเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืน มาถึงอันหนึ่งว่าท่านรูนี้นะท่านปฏิบัติวิธีกำหนดอยาบทเรียกว่าไปลาออกจากงานใกล้กเกษียณไปอยู่เป็นปีและก็ไปกำหนดตามวิธีนั้นก็เห็นความทุกข์เนี่ยความจริงเนี่ยผมก็เคยเห็นแล้วเขาเล่ามาผมก็เคยเห็นแล้วผมทามาตั้งยี่สปีแล้ววิธีนี้แล้วก็เห็นอย่างนี้คือ ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราขยับอิริยาบถไปนั่งก็เป็นทุกข์เห็นทุกข์ไปอิริยาบถหมายก็เห็นไอ้ทุกข์เนี่ยมันตามจี้ไปมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องกระเสือกกระสนและหาที่พึ่งในอิริยาบถใดไม่ได้เลยเราจะไปอีกอกีอิริยาบถก็หนีไม่พ้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยกําลังจะยืนอยู่บน แผ่นหินร้อนๆแผ่นเหล็กร้อนๆพอร้อนทนไม่ไหวก็วิ่งไปอีกแผ่นหนึ่งที่ก็ร้อนเหมือนกันแล้วก็มองไปข้างหน้าเป็นร้อยๆแผ่นเราไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนครับแทบจะหมดอาลัยหมดแรงวิ่งอะ่ะเพราะนัยยะบทเราเนี่ยมันทุกข์มันบีบคั้นอย่างนี้ที่ภาษาในวิสุทธิมรรคปราณนาไว้ดีบีบคั้นเราเนี่ยจนรู้สึกว่า เราไปเสวย อ, อิริยาบทใดไปอยู่ในภพใดคติใดเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นหนีไม่พ้นน่ากลัวหาที่พึ่งไม่ได้ในในอัตภาพนี้แล้วเป็นทุกข์ก็เป็นสุขท่านพูเราวุบอกโอ้โหทุกข์ทุกข์จนไม่กลัวยานนี้เลยบะกลักวไอการเห็นอย่างนี้เลยบอกไม่อยากเห็นแล้วพอเห็นแล้วมันโอ้โหหาทางหนีไม่ไม่ออกเลยไม่เห็นดีกวา่าเห็นจะ ไ, ได้ไม่ต้องหนี ไม่ต้องคิดหนีเอ๊ะบังเอิญคนเล่าเนี่ยเขาไม่ได้มาตั้งปัญหาถามผมเขาเล่าอย่างผมถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วผมก็ก็ไม่ถามเขาก็ไม่ตอบแม้กระทั่งผมบอกที่จะบอกผมก็เคยทําได้อย่างที่ผมบอกนี่ผมก็ไม่บอกเขาเพราะเขาไม่ได้ถามผมอย่าหาว่าเขาอยากเล่าแล้วก็ฟังเขาเล่าแล้วกันมึกไอ้ตรงนี้เนะ่ยถามว่า เป็นความสําเร็จแล้วของการปฏิบัติหรือเห็นแล้วไปทุรลนทุรายอย่างนี้เราทําถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมหรือถ้าเห็นเป็นสุขแล้วเราไปชอบใจถูกหรือไม่ถูกอีกเพราะหลักกรรมฐานก็บอกแล้วว่าอาภิชาวินเนยะโลเกวิชาโตมานัตสังใช่ไหมเห็นแล้วต้อง ทำความรู้สึกให้อิสระจากสิ่งเหล่านั้นเราเบื่อแต่ใจเรามีความสุขได้เหมือนเราสังเวชเนี่ยสังเวชแล้วเป็นสุขได้ไม่ใช่สังเวชแล้วจะต้องซีดต้องเสียวไอย้ยางงั้นนะแปลว่าบริหารความสังเวชไม่ดีพอนะนั้นถ้าเราอบริหารใจดีพอเราก็เห็นเบื่ออย่างมันไม่ใช่เราและเมื่อเราวางใจได้เราก็ไม่ยินดีทั้งตัววางใจและตัวถูกวางใจ ไอ้ไอตัวดู ว, วางใจมันทุกเรา ก, ก, ก็น่าจะยินร้ายเราก็ไม่ยินร้ายไอ้วางใจได้เราก็ไม่ยินดีกับว่าเรามีความสุขลึกๆคือก็เราก็เคยพูดถึงแล้วว่าคนเห็นทุกข์เนี่ยกลับเป็นสุขเกิดสมนัตปรีดาอย่างโดยธรรมกับความทุกข์ที่เห็นก่อนจะไปพ้นทุกข์อะไรที่มันเกินเลยกว่านี้นะใจต้องต้องพ้นทุกข์อันนี้ได้ก่อน จึงจะเป็นเป็นความสําเร็จทางธรรมะจริงทีนี้ถ้าเราเอาตัวเอาตนอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเราของเราเราเป็นอย่างงู้งเป็นอย่างนี้ก็ก็จะเกิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่สัมผัสครั้งแรกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นขั้นค่อยเป็นค่อยไปเราจะต้องบริหารมันไม่ใช่ความสําเร็จที่ใช้ได้แล้วฉะนั้นพอเอาเอาตนเอาเราของเราออกมันก็เย็นนะรู้ว่าเรา ผู้ดูกับผู้ถูกดูมันคนละคนกันคนละส่วนกันใจก็เย็นแล้วก็อยู่กับทุกอย่างเป็นสุขอยู่กับไฟอย่างเย็นใจสนิทถ้าทําไม่ดีเดี๋ยวก็เลยต้องผ่านไปฆ่าตัวตายอะไรเพื <c oughs> ่อจะหนีสิ่งเหล่านี้เป็นอันว่าจุดสําเร็จเป็นสุขเราสรุปว่างั้นนะจุดสําเร็จเนี่ยเป็นสุขสําเร็จในขีดขั้นตรงนี้ต้องเป็นสุขจึงจะกล้าไปสู่ความสําสเร็จอีกขั้นหนึ่งต่อไปสลัดว่า เรากล่าวแม้ซึ่งสุขว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งสุขควรกล่าวว่าปัจสัตธิแปลว่าความสงบประงับตรงนี้นะบางทีแปลหักไปว่าความเยือกเย็นเพราะอะไรเคถึงกล้าแปลอย่างนั้นในบางที ก็เพราะว่าคําว่าสงบระงับเนี่ยถ้าสมาธิเนี่ยมันนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวทีนี้เอนนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยไอ้ไอ้ราคาเมื่อกอยู่ที่ว่าจับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเนื่องเปรียกว่านิ่งเนี่ยเป็นคุณสมบัติของสมาธิทีนี้เมื่อ น, นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วใจใจเราเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยนะเรานี่เราพูดกันอย่างที่เราเข้าใจได้ทุกคนก็คือว่า มมติพระบอกว่าเอาโยมต่อไปนี่โยมหลับตาเอาใจไว้ที่จมูกนะโยมนะโยมก็เอาใจไว้ที่จมูกพออาใจไว้ที่จมูกสักพักหนึ่งใจมันดิ้นหลนใช่ไหมล่ะยิ่งนิ่งมันยิ่งดิ้นหล่นขัดขืนนี่เขาเรียกว่านิ่งแต่ว่าไม่สงบระงับแต่พอนานเข้านานเข้าเนี่ยความสงบระงับความเย็นใจมันมีนิ่งด้วยเย็นด้วย อันนี้เ่าเรียกว่าความสงบระงับจิตสงบระงับเรียกว่าปัจสัตธธิสติแปลแปลบางที่ว่าเยือกเย็นแก่ไอแปลอย่างนี้เดี๋ยวจะไปปนกับปลาโมกับปีติกัาอีกมันไม่ใช่หมายถึงปีติปราโม์ซึ่งเป็นลักษณะของความโลดแล่นของจิตอรรถกถาจึงไขว่าได้แก่ระ ง, งับความกระวนกระวาย ทีนี้พอแปลว่ากระวนกระวายเนี่ยไอเราก็นึกอย่างใดไท ย, ไทยว่ากระวนกระวายขอยงเราคืออะไรยกโดยถ้าคนหนึ่งกําลังฟังเพลงเพอาะเลาะเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงคลาสสิกไลฟ์มิวสิกสบายๆจิบเบียร์ไปฟังเพลงไปเราไปบอกนี่คุณกำลังกระวนกระวายเขายอมรับไหมถ้าเราเป็นเขาเราว่าเรากรำวนกระวายไหม อีกคนนึงก็นัดเพื่อนครึ่งยี่โมงแล้วก็ไม่มาอีกคนนึงรอรถไม่มาสักทีจะได้เวลาทํางานแล้วอีกคนหนึ่งขับรถไปเองรถติดเราบอกคุณกังวนกวายยอมรับไหมบอกเอออย่างนี้ใจอย่างนี้กังวนกวายแต่ภาษาธรรมะเขาเนี่ยกังวนกังวายเขาหมายถึงกิเลสใดๆที่เข้าแทรกได้ ในระหว่างแห่งสมาธิมีอยู่เรียกว่ากระวนกระวายทั้งสิ้นถามว่าง่วงกระวนกระวายไหมกระวนกระวายยินดีติดใจกระวนกระวายนี่คืออาการกระวนกระวายของภาษาธรรมะเหมือนอย่างคำว่ากำเริบจิตกำเริบจิตไม่กำเริบก็ทำหนองนี้เหมือนกัน ความสงบระ ง, งับของจิตเป็นเหตุทําให้เกิดสุขซึ่งปัจสรงนี้เป็นปัจสทานในระดับก่อนฌานสมาธิก่อนฌ า, ทานท้งอ่าผมชวนให้สงสัยนิดนึ่งว่าสุขกับปัจสิเนี่ยอะไรควรจะมาก่อนกันแน่สุขมาก่อนกังวนกังวาย หรือก่ะอะไรนะสุขมาก่อนความไม่กระวนกระวายหรือความไม่กระวนกระวายมาก่อนสุขความไม่กระวนกระวายมาก่อนสุขนะก็ตรงนี้ก็คงจะเหมือนกับเราอ่ะถ้าเราจะถ้าเรามีเรื่องกระวนกระวายไอเราสุขอยู่แล้วจะไปกระวนกระวายทำไมล่ะใช่ไหมล่ะนี่มันมันมันมันกระวนกระวายสิมันก็เลย เลยไม่สุขนี้ถ้าเราละกนัฟความกังวลกระวายใจได้ก็รู้สึกก็เป็นสุขค่อยก็ยังชั่วขึ้นอย่างน้อยก็เรียกว่ากอยังชั่วใจสงบเย็นขึ้นเป็นสุขขึ้นและถ้าใครยังกังวลกระวายมันก็เหมือนกับบอกให้เห็นว่าตัวนั้นคนนั้นยังไม่สุขเหมือนกับคนไข้ที่กําลังรักษาอยู่ด้วยโรคต่อไปแปดตรัสว่ารเรากล่าวว่า เรากล่าวแม้ซึ่งปัสสัานว่ามีเหตุที่ยิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งปัจสัาิควรกล่าวว่าปิติความอิ่มเอิบใจหรือเอิบอิ่มใจนะความเอิบอิ่มใจแล้วผมก็ขอเลยไปถึงข้อกาวแล้วก็พูดไปได้วยกันเรากล่าวแม้ซึ่งปิติ ว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งปีติควรกล่าวว่าปลาโมดแปล ว, ว่าความแช่มชื่นใจสองอย่างเนี่ยอธิบายทำนองเดียวกับนิพพิทากัยาถาภูตยานคืออย่างไรครับทั้งคู่เนี่ยองคธรรมคือปีติเจตสิกเดีย ก, กันแต่ปีติเนี่ย อัตถกาถาท่านแก้ว่าได้แก่ปีติที่มีกําลังปีติที่มีกํำลังปามโมดปามโมดช้หรืออย่างสันตะตือก็เป็นปราโมดปาโมดทะยะบาลีเขาปามโมดชะาเราเอาตัวเดียวเอาจช้างออกตัวก็เหลือจช้างตัวเดียวปามโมดปามโมดอ่ะเขียนอย่างปาตาบาหลีนะในนี้ผม คืเป็นรูปภาษาบาลีเฉพาะจุดที่เป็นคำถือเป็นหลักวิชาแปลว่าความแช่มชื่นใจคือปีติที่มีกำลังอ่อนนี่ก็หมายความว่าความสุขในการทำสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ฌานไอฌานเรียกสมาธิในทีน่นี้แต่ว่าก่อนที่ไปถึงฌานคือบริกรรมสมาธิถึงอุปจารสมาธิเนี่ยนะครับความสุข ที่ก้าวเดินไปโดยลำดับนั้นมีความสุขขั้นอ่อนก่อนแล้วจึงมีความสุขขั้นแก่กล้าภายหลังสุขสองขั้นเป็นเหตุเป็นผลกันความสุขขั้นแก่กล้านั้นทาให้เกิดไอ้ความปีติขั้นแก่กล้าทาให้เกิดความสงบระงับ คือเมื่อเกิดความปีติแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสงบระ ง, งับคือว่าไอ้ปีติที่เราหมายในที่นี้ตามข้อ8คือปีติขั้นแก่กล้ากับความไม่งงสงบสงบระงับเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกันเราคิดด้วยดีไงนะคนไม่สงบระ ง, งับแต่ว่าใจมันกระเพื่อมด้วยความเดือดร้อนจากกิเลสถูกั้ย แล้วก็คนที่เกิดปีติเนี่ยปีติตามเลเนี่ยแปล ว, ว่าพอเราไประ ง, ง, งับไอ้ความกระเพื่มของจิตด้วยกิเลสได้มันก็จะเกิดความกระเพื่มของจิตด้วยกุศลความกระเพื่มในทางกุศลที่เรียกว่าปีติพอปีติเกิดไอ้ความสําเร็จในทางปัสจัทติจึงได้ด้วยเหตุนี้มันค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ครับ และขอให้เข้าใจว่าปีติในที่นี้คนละตัวกับปีติที่เป็นองค์ของสมาธิฌานเหมือนกับสุขในที่นี้ในที่นี้คือในที่หกข้อหกนะเป็นคนละตัวกับสุขที่เป็นองค์ของฌานอย่าเอาไปปนกันในฌานก็มีปัจสัติเจตสิกแต่คนละอย่างกับปัจสัติที่เป็นเหตุให้เกิดฌาน คนละอย่างกันคนละอย่างเราเนี่ยเราอธิบายได้อผมอธิบายให้เห็นอย่างปสัสสติที่เป็นปัจจัยเกิดฌานต่างกับปสัสสติในฌานอย่างไรปรสัสสติในฌานนะเป็นความสงบระงับหรือความสงบเย็นที่มีพลังถึงขั้นข่มกิเลสเอาไว้ได้เป็นขอบเขตที่กว้างไกล คือมีคุณสมบัติทางวิครมปนาปานแต่ปัจสถที่เป็นเหตุให้เกิดฌานเนี่ยเป็นความสงบเย็นที่ปรามกิเลส ท, ที่ทําไม่ให้ฌานเกิดกิเลสหยาบที่ทําไม่ให้ฌานเกิดได้เท่านั้นเมื่อมันปรามกิเลสหยาบได้มันก็ทําให้ฌานเกิดได้เมื่อฌานเกิดก็มาข่มกิเลสในขั้นละเอียดกว่านั้นอีกทีหนึ่งคราวนี้ ข้อสิบนะครับนี่จะเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องเราไม่ค่อยพูดได้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนหรือมีน้อยคนจะรู้เนื้อความตรงนี้คือข้อสิบกับข้อสิบเอ็ดเนี่ยครับหัวเรี่ยกว่าต่อตรงนี้ว่าท่านแสดงถึงปามโมดว่ามีศรัทธาเป็นเหตุไอ้ตรงนี้พอเข้าใจได้ ปีติที่เกิดจากศรัทธาเนี่ยเป็นเป็นปีติขั้นขั้นหยาบนะหรือขั้นอ่อนไม่ใช่ขั้นประณีตขั้นสูงขั้นมีกำลังอะไรและศรัทธาเกิดจากทุกอุสาพูดชวนให้อยากฟังไว้ตั้งแต่คราวที่แล้ววันนี้ก็เลยยังต้องชวนต่อไปอีกเพราะว่าหมดเวลาจะอธิบายแล้วอธิบายมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกเป็นเหตุไม่เกิดศรัทธา เกินชั่วโมงแล้วนี่นะบโมงกว่าแล้วเลยต้องหยุดครับก็ขอหยุดเท่านี้แล้วก็ชวนให้แต่เมตตาสั้นๆทั้ น, นี้นะครับ